พวกเท้าหัดปล่อยหัดว่างเด้วยฮัตคอยหัดว่างออกตันงใดสี่เท้ายึดเท้ายึดเท้าถือเท้าผูกพันอยู่นี่ยไอ้ไฟย่ามหัดตคอยหัดว่างออกก็บโมเมนต์บัตริ่มเลยดอกใอ้คืดว่าของทุกสิ่งทุกอย่างทุแนวนั่นแหละสี่เท้าสะอ่อนมั่นสี่เท้าหัดมั่น ที่เข้าผูกท่านนั่นน้นมันเขาติต่องใ้ทิมเมิร์ทุนเนลทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี่ต้องสิดต่องด้ทิมในทิมไปเพราะว่าชีวิตของคนเข้านี่มันเมิร์มันเมดชีวิตแล้วอ่ะมันต้องไปคิดใจเข้าเนี่ยจะต้องไปอีกันเข้าปล่อยอันไดว่างอะไดบอท่านใดมันติด่าย้อนันั้น การฆ่าย่อนอันไรกันนักย่อนอนนั่นล่ะนี่นักแล้วก็ดึงกลับขึ้นมาเมื่อเกิดอีกเมื่อเกิดอีกกับควมแก้ควมเถ่ากัน้าคนมมาอีกทังละควมเจ็บไครควมได้ควมป่วยควมดีใจควมเสียใจควมคับแค้นใจนันอะไรติดตามมาน้ำกลมมาฮันละควมบ่ได้จังใจ อยากได้อันใดอันอยากได้อันใดก็บรได้อันแนวบรอยากได้ผันมาเฉยๆเทาเกิดสิบภพไอพ่อครับแนี่ยโมนี่แหะอันนี้มันเท่าบวมอันก็เกิดค่วมทุกแต่ว่าข่วมทุกมันนํากลนมากท่นผู้พิจารณาเบิ้งคาคาแล้วในชีวิตหนึ่งเนี่ยที่มีมือสบายใจเนี่ย บ่หลายวันไหนดอกอันมือคัดคองใจใจบ่ค่อยกดคอยใสใจคุณใจม่วนหลายในชีวิตนี่แต่ว่าคนเท่ากันได้มีมือยึดใจเบิกบานจกกเล็กแกน้อยระยะหนึ่งันมักต่แท้ได้ละถูกพันจะแท้ <c oughs> มักอันใดมักอันใดคิดท่านอันใดเข้าสินนักนำย้อนอันนั่นเรื่องราวภูสลดัดให้ว่างออกปงออกว่างออกกานว่างออกอันใดแล้วมันกระเบาอันนั่นนั่นแหะมันจึงสิเป็นอิสระสิลอยไปสิพ้นไปจากโลกคิดสิพ้นไปจากโลกนี่ เมก็ย่อนว่าโบเอาโบเอาของในโลกมาเต็งจะของมาทับจะของไว่น่ะน่ารักมันตงสิข้นได้ทนก็สั่นหลับดินบบข้นแบบคุอยังนกนี่แล้วแตามันขาดอียังมันนักโผล่ไโผดดินบข้นเนยนกกระได้นี่เป็นอย่างสั่นล่ะเอาพิจารณาเนียดินต่างที่หผูกพ่อพันห่อหักอะไรอ้ตอมเบิงห่อหักอนไรห่าตั้งอนไรซึ่งหักซึ่งตั้งนั่นหละไม่แน่เขาฆ้า แม่แน่ห่อแบกอยู่ในใจเนะี่ยนักบ่เขนี่ต้องซ้อมือมันคืดเป็นห่วงเป็นอะไรเป็นแนวหักแนวมักเป็นอะไรเป็นห่วงอ่ะกันนักในใจกันนักเป็นห่วงอยู่หันแล้วคนอะไรตั้งจะเจ็บมาเทียดมาสร้างอยู่หันแ่นี้คิดแต่กันนักอยู่หันแล้วนั่นแหละใจมันนัก น, น, นั่นแหละมันแปลว่ามัน มันบอเป็นอิสระมันมีแนวเส็งแนวทับอยู่ให้ฮาดว่างออกให้คิดว่าจะได้รูปแบบนี้จากมึงแลือเร้าวจิตจะได้ห้างสิ่ดียนี้จากแ น, น่วมันอันอยู่ให้คิดว่าเศ้าซะว่างซะกานว่างได้ที่ได้อิสระภาพที่ได้แนวอันที่เขาบ่ได้กันของดีของดิงเศษอยู่วางคอยวางว่างนี่ละการห้องว่างได้แล้วห้อเบาสบายลดอกใจนะ ฮักจะต้องหักไปแนวมูลนินบอลซื้อๆนึ่งละกันเราซื้อๆฟังซื้อๆมันเกิดเมื่อใดประโยชน์ยังหลายคนไดหรอแต่ประกัน อ, อุบัติเหตุมันได้ประโยชน์หลายได้เข้าสีสัมบายขึ้นมาหลายอยู่กันเข้าปล่อยเข้าว่างได้แน่นปล่อยได้สั่งนึงว้างไ ด, สงด้สั่งนึงกับสัมบายขึ้นมาสั่งนึงอยู่เนี้ันปล่อยบ้างไต่มืแล้วะโซ้มุมละทนทุกคนยากละในสีเด้อในที่พิเศษและหน้า บ้านทีตั้งใจรับพร้อนผู้ทำบุญก็ตั้งใจรับพร้อนไอ้คิดก็ได้บุญได้ผู้สนเกิดขึ้นในคิดในใจแล้วิตแพรไปหาผูด้ได้กาแรเด้อไอ้คิดเทนนาก็จิตแพรไปหาละให้บุญผูศสนนี่ถึงเจ้าเด้อบางที